เพื่อมาหาร้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาฟังความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้จักวิธีหาความสุขกันรู้จักวิธีดับความทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความสุขในโลกนี้ มีอยู่สองแบบด้วยกันค like ือแบบชั่วคราวกับแบบถาวรความสุขชั่วคราวนี Book ้เรียกว่าเป็นความสุขทางโลกส่วนความสุขที่ถาวรนี้เรียกว่าเป็นความสุขทางธรรมความสุขทางโลกเป็นความสุขทางร่างกายความสุขทางธรรมเป็นความสุขทางใจ ร่างกายเป็นของชั่วคราวความสุขทางร่างกายก็เป็นความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่มีร่างกายอยู่ความสุขทางใจเป็นความสุขที่ถาวรเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายชีวิตของเรานี้มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายเป็นส่วนชั่วคราว จิตใจเป็นส่วนทาวรความสุขทางร่างกายจึงเป็นความสุขชั่วคราวความสุขทางจิตใจเป็นความสุขทาวรความสุขทั้งทั้งสองแบบนี้ก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวความสุขทางโลกนี้ ก็มีเหตุอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ความสุขข้อที่สองก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ 3. ความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ไม่เป็นหนี้และ 4. ความสุขที่เกิดจากการกระทา ที่ไม่เป็นโทษนี่คือวิธีสร้างความสุขชั่วคราวความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มานี้ก็มีเหตุที่ทำให้ได้ทรัพย์ให้มีทรัพย์เหตุหนึ่งก็คือบุญเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีต ถ้าเราได้ทำบุญไว้มากเราก็จะได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพระมหากษัตริย์อย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตชาติฉันก็ได้เป็นพระเวชสันดรพระเวชสันดรก็ทำบุญทำทานบริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง เป็นจำนวนมากพอตายไปก็ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์พอหมดบุญจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพย์สมบัติมากมายคอยรองรับอยู่คอยรอรับเสด็จอยู่เช่นมีภาษาส า, ามฤดูมีบริษัทบริวารคอย รับใช้คอยให้ความสุขอันนี้คือการได้ทรัพย์ที่เกิดจากการได้ทำบุญทำทานมาในอดีตพวกเราถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีไม่ได้เกิดมาเป็นเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญมามากพอนั่นเองในอดีต เราจึงไม่ได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของคนใหญ่คนโตแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีทรัพได้ทรัพย์มาโอกาสที่สองก็คือเกิดจากการขวนขวายเกิดจากการแสวงหาของเราถ้าเราไม่เป็นคนเกียจคร้านมีความ ขวนขวายมีความขยันหมั่นเพียงในการทำงานทำการหาเงินหาทองหาได้มาก็เก็บออมไม่ใช้แบบสุรุ่ยสุรา่ายเอาเงินมาลงทุนขยายกิจการต่อไปเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นผู้มีทรัพย์ขึ้นมาก็ได้ นี่ก็อีกกรณีหนึ่งอย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีที่อยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีเขาเป็นพวกที่มีเสือใบหมอนใบอบพยศมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทอง ขยายกิจการไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมานี่ก็คือการมีทรัพย์เหตุที่จะทำให้เกิดทรัพย์ขึ้นมาก็คือต้องอขวนขวายต้องมีความขยันต้องมีความอดออมไม่ใช้เงินแบบซรุ่ยซร่ายเก็บเงินเอาไว้แล้วพอมีเงินมากพอ ก็เอาไปขยายกิจการทาให้กิจกา ร, กจการจเจริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับนี่ก็คือความสุขที่เรียกว่าความสุขที่ได้ได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ความสุขข้อที่สองก็คือความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ก็ใช้ให้เกิดความสุขก็ได้ ใช้ให้เกิดโทษก็ได้เช่นถ้าเราเอาเงินมาซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นซื้ออาหารที่ว่าใส ย, ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มที่จาเป็นอย่างนี้ซื้อมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการใช้เงินที่ทำให้เกิดโทษก็คือใช้แบบไม่รู้จักประมาณ ใช้เกินความจำเป็นเช่นซื้อเสื้อผ้ามากเกินไปซื้อบ้านมากเกินไปซื้ออาหารมากเกินไปอันนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษได้เสื้อผ้าซื้อแล้วก็จะติดนิสัยอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาก็อยากจะซื้อทั้งๆที่มีเสื้อผ้าล้นตู้เต็มตู้อยู่แล้ว อย่างนี้ก็จะเป็นการดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองไปให้หมดไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรควรที่จะเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราควรที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ก็คือเอาเงินมาสร้างความสุขทางใจ นอกจากความสุขทางร่างกายแล้วเราควรจะมีความสุขทางใจด้วยเพราะถ้าร่างกายสุขแต่ใจไม่สุขนี้ก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าร่างกายไม่สุขแต่ใจสุขก็ยังจะมีความสุขได้เพราะความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของร่างกายนั่นเอง อย่างเช่นเวลาที่เรามีความสุขทางใจร่างกายเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเก็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเพราะใจของเรามีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายเรามีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอาหารรับประทานรับประทานอาหารได้อย่างอิ่มหนำสำราญ ใจแต่ถ้าใจมีความทุกข์ความสุขของร่างกายก็จะหายไปถูกความทุกข์ของใจมาบดบังไว้มากลบไว้เพราะความทุกข์ของใจนี้มีอำนาจมากกว่าความสุขของร่างกายเช่นเรากำลังฉลองกินเลี้ยงอะไรอยู่แล้วเราได้ข่าวร้ายเราสูญเสียคนที่เรารักไป ความสุขที่เราได้รับจากการเลี้ยงฉลองก็จะหายไปจะถูกความทุกข์ทางใจเข้ามากรอบไว้ดังนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทเราจรึงควรสร้างความสุขทางใจควบคู่ไปกับความสุขทางร่างกายด้วยด้วยการเอาทรัพย์ที่เรามีเหลือจากการใช้กับสิ่งที่จําเป็น เอามาทำทานเพราะเหตุที่จะทำให้ใจเกิดความสุขใจขึ้นมาก็คือการทำทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาเราจึงไม่ควรสร้างความสุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเราควรสร้างความสุขทางใจควบคู่ไปด้วย เพื่อพอต่อไปร่างกายของเราจะต้องเสื่อมลงไปตามลำดับแล้วต่อไปเราจะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เราก็จะได้อาศัยความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าให้ความสุขกับเราต่อไปได้และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็จะได้ไปเกิดในที่ดี พอาอำนาจของบุญกุศลที่เราทำไว้อย่างที่พระเวชสันดรได้ทำทานอย่างมากมายพอท่านตายไปแล้วท่านก็ไปเกิดในสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไป อันนี้ก็เกิดจากการสร้างความสุขทางใจทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือความสุขทางใจเป็นความสุขถาวรเป็นความสุขที่ไม่หมดไปกับร่างกายร่างกายเวลาตายไปความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ก็หมดไป ความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์ก็หมดไปดังนั้นเราถ้ามีเงินทองต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าใช้ให้มันเกิดโทษการใช้เงินทองให้เกิดโทษก็คือเอาไปเล่นการพนันเอาไปเสพสุรายาเมาเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพราะการใช้เงินแบบนี้เป็นการดูดซับให้หมดไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยทำให้ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องเล่นการพนันอยู่เรื่อยๆต้องเดิมสุลาอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองพอทำแล้วจะติดอยากจะทำไปเรื่อยๆ ทรัพสมบัติที่เรามีมากน้อยเพียงไรก็จะถูกอบายามุกเหล่านี้ดูดไปหมดเลยจนกลายเป็นคนจนไปได้ถ้าไม่ละมัดละวันคนฉลาดเขาจึงไม่ไปใช้เงินกับการเล่นการพนันไม่ใช้เงินกับการเที่ยวเตะไม่ใช้เงินกับการเสพสุรายาเมาแต่จะเอาเงินนี้ มาถ้าอยากจะได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นก็เอามาฝากธนาคารก็ได้หรือเอาไปลงทุนซื้อที่ซื้อทางอะไรที่ต่อไปจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ดินมันก็มีราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซื้อวันนี้อีกสี่ห้าปีราคามันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองสามเท่าขึ้นมา นี่คือการใช้เงินต้องรู้จักใช้อย่าไปใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษคือใช้เงินกับการเล่นการพนันเที่ยวเที่ยวเตะเสพสุรายาเมาให้เอามาซื้อที่ซื้อทางซื้อมาลงทุนทำการค้าขายเพราะจะได้มีรายได้เพิ่มเติมแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุข ทางใจเราก็เอามาทำทานเอามาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะทำทานกับวัดก็ได้ทำทานกับโรงเรียนก็ได้ทำทานกับโรงพยาบาลก็ได้ทำทานกับคนแก่คนชราก็ได้ทำทานกับเด็กพิการคนพิการก็ได้ หรือทำทานกับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้หรือทำทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทำแล้วก็จะได้ความสุขใจได้บุญติดตัวไปตายไปก็จะไปไปสวรรค์ได้กลับมาก็จะได้กลับมาอยู่แบบเศรษฐีได้อันนี้คือวิธีการใช้เงิน ให้เกิดคุณให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษความสุขทางโลกข้อที่สคือการไม่มีนี่ไม่เป็นนี่การที่เราจะไม่เป็นนี่ได้เราต้องมีความอดทนอดกลั HHH, ้นอย่าปล่อยให้ใช้เงินใช้ทองไปตามความอยากเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อซื้อไปพอเงินไม่พอซื้อเงินสด ก็ต้องซื้อเงินผ่อนพอซื้อเงินผ่อนนี้ก็เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้แล้วก็จะต้องวิตกกังวลกับการใช้หนี้ถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช้หนี้มันก็ต้องใช้สองต่อใช้ทั้งต้นใช้ทั้งดอกถ้าอยากจะซื้อของอะไร อดทนรอไว้ก่อนรอให้มีเงินแล้วค่อยซื้อดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียดอกตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้เสียต้นแล้วก็ต้องเสียดอกด้วยถ้ายังไม่ซื้อเอาเงินเก็บไว้ก่อนฝากธนาคารก็จะได้ดอกพอเรามีเงินพอที่จะซื้อของที่เราต้องการเราก็ซื้อเงินสดเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วจะซื้อถูกกว่า เวลาซื้อเงินผ่อนเพราะซื้อเงินผ่อนนี้ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยด้วยนี่คือการกระทาที่จะทำให้ให้เรามีความสุขก็คืออย่าเป็นหนี้อย่าไปกู้หนี้ยืมสินเป็นอันขาดเพราะกู้แล้วมันจะทำให้เกิดมีความกังวลใจเพราะจะต้องคอยใช้หนี้ เวลาเจอเจ้านี้ก็ต้องถูกเข้าทักเข้าถวงแล้วถ้าไม่สามารถใช้ได้ก็ถูกเข้าด่าหรือบางทีถ้าเจ้านี่เป็นคนโหยร้ายก็จะถูกเข้าทุกทำร้ายร่างกายได้ดังนั้นวิธีที่จะไม่เป็นหนี้ก็คือเราต้องรู้จักใช้เงินใช้ในสิ่งที่จำเป็น อย่าใช้ในสิ่งที่ไม่จาเป็นเช่นอบายามุขหรือของฟุ่มเฟือยต่างๆใช้ไปแล้วมันมีแต่จะหมดแล้วจะไม่พอใช้พอใช้แล้วมันจะติดเป็นเหมือนยาเสพติดต้องใช้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ทำตามความอยากของเราได้ไม่ใช้เงินไปกับการเล่นการพนัน ไม่ใช้เงินไปกับการเที่ยวเตร่ไม่ใช้กับเงินไปกับการเสพสลายยาเมาไม่ซื้อของฟุม่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นเราก็จะมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ได้เราก็ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วเราก็จะมีเงินไปทําบุญไปสร้างความสุขทางใจได้อันนี้คือข้อที่สความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้ และข้อที่สี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เป็นโทษการกระทําที่เป็นโทษก็คืออะไรก็คือการกระทําที่ผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนั่นเอง mm hmm. เช่นเวลาเราหาทรัพย์เราไม่มีทรัพย์เราไม่ได้ทําบุญมาในอดีตมาเกิดเป็นคนยากจนเราอยากจะมีทรัพย์ แต่เราไม่มีความสามารถที่จะหาทรัพย์ได้มากๆด้วยการกระทำที่สุดจริตเราก็อยากจะได้ทรัพย์แบบมากๆง่ายๆเร็วๆเ ร, ว เ, รวเราก็ต้องไปทําผิดกฎหมายเช่นไปค้ายาเสพติดหรือไปช่อโกหรือไปรักทรัพย์การกระทําแบบนี้ถึงแม้จะได้ทรัพย์มา แต่ก็จะมีโทษตามมามีความทุกข์ตามมาความสุขที่ได้จากการได้ทรัพย์ก็จะถูกลบไปหมดเพราะจะเกิดทุกข์ตามมาเวลาเราทำบาปทำผิดกฎหมายทำผิดกฎระเบียบเราจะมีความไม่สบายใจเราจะมีความวิตกกังวลเดือดร้อนกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษต่อไป ถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์เราก็ต้องหาทรัพย์มาด้วยวิธีที่สุดจริญไม่ผิดศีลผิดธรรมคือไม่ทำบาป ท, ทั้งห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราละเว้นการกระทาที่เป็นโทษนี้ได้ เราก็จะมีความสุขใจแล้วก็จะมีความสบายใจได้นี่คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวเราอยากไ ด, ได้ความสุขที่ถาวรเราก็ต้องมาสร้างความสุขทางใจด้วยการหมั่นมาวัดมาทําบุญทําทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นมานะความสุขทางใจก็อย่างที่แสดงไว้ข้อที่หนึ่งก็คือการทำทานข้อที่สองก็คือการรักษาศีลไม่ทำบาศีลนะก็มีสองระดับศีลระดับศีลห้ากับระดับศีลแป ถ้ารักษาศีลห้าเราก็จะป้องกันไม่ให้ใจของเราต้องเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจและจะป้องกันไม่ให้เราตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เวลาตายไปต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรก ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ต้องไปถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ไปสวรรค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าการรักษาศีลห้าเราก็ต้องรักษาศีลแปศีล8นี้จะทำให้เรามีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะต้องมี การบำเพ็ญทำใจให้สงบสินแปดนี้จะส่งเสริมจะพัฒนาให้เราได้ได้เจริญความสงบที่เป็นความสุขที่สูงสุดการที่เราจะทำความสงบให้เกิดขึ้นได้เราต้องมีเวลาถ้าเราไม่ถือสินแปด เราก็จะไปหาความสุขทางร่างกายแทนเช่นศีลข้อสามถ้ารักษาศีลห้าเรายังร่วมหลับนอนกับแฟนของเราได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะร่วมหลับนอนกับแฟนของเราไม่ได้คือเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุขทางใจนี่เอง มาทำใจให้สงบถ้าเราไม่ถือสิลแปดเราเดี๋ยวก็จะอดอยากที่จะไปหลอบนอนกับแฟนเองไม่ได้ถ้าเราถือสิล8ปดข้อนี้เราก็ไม่ทำเราก็จะได้มีเวลานอกจากสินข้อ3แล้วก็ต้องสีลข้อ6ศสินข้อหก็จะทำให้เราไม่ต้องมากังวลวุว่นวายกับการรับประทานอาหารมากจนเกินไป พอหลังจากเที่ยงวันเราก็ไม่รับประทานอาหารแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับการรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็จะทำให้ง่วงนอนอยากจะนอนก็จะไม่มีเวลามานั่งปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบศีลข้อ7จก็คือการหาความสุขจากการดูการฟังพวกมหรสพบันเทิงต่างๆเราก็จะไม่ทา เพื่อที่เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาไหว้พระสวดมนต์แทนข้อที่8ก็คือเราจะไม่นอนมากจนเกินไปต้องการนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายถ้าได้พักผ่อนหลับนอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาหนานอนบนเตียงใหญ่ๆ ที่มีความนุ่มมีความสบายเวลาร่างกายได้พักตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบายอยากจะนอนต่อดังนั้นถ้าอยากจะนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนอนไม่มากจนเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นแข็งเช่นนอนบนพื้นไม้ปูเสือ่อภูผ้าพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมา เราก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาสร้างความสุขทางใจได้คือมานั่งสมาธิมาสวดมนต์สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปใจก็จะเกิดความสงบขึ้นมาแล้วก็จะได้ความสุขทางใจที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะต่อไปเวลาร่างกายหมดสภาพไปไม่สามารถหาความสุข ผ่านทางร่างกายได้หรือเวลาไม่มีเงินทองที่จะซื้อความสุขต่างๆก็จะได้ใช้การทำใจให้สงบเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขทางใจได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีความสุขใจได้ร่างกายจะแก่ชราก็มีความสุขใจได้และเวลาร่างกายจะตาย ก็จะตายอย่างสงบตายอย่างมีความสุขเวลาจากโลกนี้ไปก็ไม่ต้องไปอาบายได้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงชั้นพระนิพพานได้ตามกำลังของความสงบของใจที่เราได้สร้างเอาไว้อันนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะติดไปกับใจของเราเพราะใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ตายเพียงร่างกายพอไม่มีร่างกายใจก็ไปตามอำนาจของบุญที่ได้สร้างเอาไว้ไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บไม่ต้องกลับมาทุกกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปนี่คือความสุข ที่มีอยู่สองชนิดในโลกนี้คือความสุขชั่วคราวเรียกว่าความสุขทางร่างกายและความสุขถาวรเรียกว่าความสุขใจก็ขอให้พวกเราพยายามพัฒนาจากการหาความสุขทางร่างกายมาสู่การหาความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัยตสาวกทั้งหลายได้รับกันและก็จะเป็นความสุขที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปถ้าพวกเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัะนารายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภาัะโดยทั่วหน้ากันเทอ